วันนี้คณะที่มามาจากที่ไหนกันนะมาจากพิไอทีเอสค่ะพิไอทีเอสอยู่ที่แหลมชาวบางนะังเลยทำเกี่ยวกับอคอนเทนเนอร์เลย ม, มีมีจุดประสองค์อะไรแนละ้วจะมาทำบุญฟังธรรม เขาเลยจะมีแอบว่าทุกเดือนอีมาฟังธรรมของหลวงพ่ออห้เกิดจิตใจให้พนันนะก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำถ้าเป็นไปได้ควรจะทำมากกว่าครั้งละเดือนะครั้งละเดือนนี่ก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้น ้าจะขัดเกลาจริงๆให้มันสะอาดนี่มันต้องขัดทุกวันมันเป็นเหมือนสนิมมันเกาะติดมาหนาเปึกเลยถ้าเดินมาขัดครั้งหนึ่งนี่มันยังยังเข้าไปไม่ถึงถึงเนื้อเหล็กเนื้อสนิมนี่มันหนาเปึกถ้าจะขัดให้เหล็กนี่มันสะอาดบริสุทธิ์นี่ต้องขัดเกลาทุกวัน พระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์เนี่ยท่านขัดเกลากิตใจของท่านทุกวันจนจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ถ้าอยากจะให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องขัดเกลาทุกวันและก็ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย เพราะว่าสนิมนี่มันทำงานตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้มันทำงานมากกว่าเราขัดเกลามันมันก็จะพอกพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆผลของการที่เราปล่อยให้สนิมใจเกาะตัวกันมากขึ้นก็จะทำให้ใจเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นมีความสุขน้อยลง สนิมของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความอยากต่างๆอันนี้ที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายกันทำให้ใจของเราเวียนว่ายตายเกิดกันเกิดจากสนิมของใจคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นตัวนี้ถ้ามันเกาะ อ, อยู่ในใจแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์ใจเราร้อนใจเราวุ่นวายใจเราเศร้ใรารใจเราว้าอวยหนุยเหงาอาการความรู้สึกไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นเกิดจากการที่เราปล่อยประละเลย ไม่มาคอยขัดเกลวจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราหมั่นขัดเกลวอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ขัดเกลวกันใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพอใจสะอาดบริสุทธิ์นี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปหมด เหลือแต่ความสุขใจอิ่มใจที่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนิบานังปละมังสุ ข, ขังนิพพานแปลว่าใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเมื่อใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะมีความสุข เต็มเปลีป่ยมอยู่ภายในหัวใจไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหายไปหมดไปมันก็เหมือนเป็นของปลอมไป และสิ่งที่เข้ามาทดแทนความสุขนี้ก็คือความทุกข์ความส้อยเศร้าส้อยหงอยเหงาความว้าเหวความซึมเศร้าเนกะิดจากการสูญเสียความสุขที่เราได้จากลาบยศสนเสริญจากลูกเสียงกลิ่นลดเราจึงไม่ควรที่จะไปหาความสุขเหล่านี้นะ มาหาความสุขจากการขัดเกลากิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด hmm. ีกว่าเพราะเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ถาวรจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดใจเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายความสุขที่เราได้จากการขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ มันก็จะอยู่กับใจเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาเวลาร่างกายตายไปเราก็ต้องจากกับความสุขต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถ้าเรายังไม่ตายบางทีมันก็จากเราไปก่อน เงินทองหมดนี่ความสุขก็หมดตําแหน่งหมดทํางานอยู่แล้วถูกเข า, าถูกเขาให้ออกหรืออายุครบกเกษียณอายุก็ต้องออกพ้นตําแหน่งไปเคยเป็นหัวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเคยสั่งให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอหมดจากตําแหน่งไปก็สั่งใครไม่ได้ คือความสุขที่พวกเรากำลังหากันเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะต้องหมดไปมันจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปแต่ความสุขที่พระเจ้าท่งค้นพบคือความสุขที่ได้จากการการขัดเกลจิตใจนี่จะไม่จากเราไปจะอยู่กับเรา เพราะเป็นความสุขโดยธรรมชาติใจของเรานี้ถ้าสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันก็จะมีความสุขของมันเองไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนนั่นเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตสันติปรังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่ไม่มีความโลภความอยากใจจะสงบใจจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆตราบใดเราคอยกาจัดความโลภความอยากถ้าที่ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจเวลามันโผล่ขึ้นมาก็กาจัดมันกาจัดมันอย่าปล่อยให้ออกมันออกมาเพ่นพ่าน ถ้ามันมาเพ่นพ้านมันก็จะมาทำให้ใจเราวุ่นวายใจเราไม่สบายกวลกวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดลาคาญใจดูคนที่อยากบุหรี่สูบอยากสูบบุหรี่อยากดื่มกาแฟอยากดื่มโุรานี่เวลาที่เขาไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบนี่เขาจะหงุดหงิดลาคานอารมณ์ไม่ดีนี่เป็นผลที่เกิดจากความอยาก อยากดื่มกาแฟอยากดื่มโซดาอยากสูบบุหรี่อยากไปเที่ยวอยากวีแฟนอ า, อาการอยากต่างๆอันนี้มันจะทําให้ใจเราไม่สงบแล้แทนที่จะหยุดความอยากเพื่อให้ใจเราสงบแล้วเราจะได้มีความสุขเรากลับไปทําตามความอยากเพราะคิดว่าทําตามความอยากแล้วจะมีความสุข อยากดื่มสุราก็ดืม่มดื่มแล้วก็สบายใจอยากดื่มกาแฟก็ดืม่มดื่มแล้วก็สบายใจอยากสูบบุหรี่ก็สูบสูบแล้วก็สบายใจแต่มันสบายใจเดียวเดียวเดียวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกก็ความความสุขที่ความสบายใจที่ได้จากการทำตามความอยากก็หายไป พรความอยากใหม่มันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเรากำมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราวิธีที่ถูกต้องเราต้องขัดเกลีความอยากกําจัดความอยากไม่ใช่ไปส่งเสริมความอยากการทําตามความอยากนี้เรียกว่าส่งเสริมต่ออายุให้มันให้มันมีกําลังมากขึ้นการไม่ทําตามความอยากนี้เป็นการตัดมัน เป็นการทำลายมันไม่ส่งเสริมมันเป็นการลดกำลังของมันเวลามันอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวมันก็หมดนิดพอหมดลิดอารมณ์เสียต่างๆก็หายไปใจก็สงบสุขขึ้นมาแต่เวลาที่มันอยากนี่ถ้าไม่มีความอดทนหรือไม่มีความสุขใจนี่ จะสู้มันไม่ไหวพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขใจชั่วคราวก่อนความสุขใจชั่วคราวก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะสู้กับความอยากต่างๆได้อยากดื่มกาแฟใจก็บอกว่าไม่ดื่มก็ได้ตอนนี้มีความสุขจากความสงบอยู่ จากสมาธิอยากสู่ก็รีไม่สูขก็ได้เพราะมีความสุขไม่มีความทรมานใจเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธินี้พออยากอะไรนี่จะทรมานใจทันทีแต่ที่คนที่มีสมาธินี้จะไม่รู้สึกทรมานใจมากมีบ้างแต่สามารถที่จะต้านมันได้สู้มันได้ ก็มีความสุขทางใจคือสมาธิคอยรักษาใจให้ไม่หิวโหยมากจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่กินอาหารว่างแล้วเราไปรอไปงานเลี้ยงไปรอรับประทานอาหารกับคนที่ไม่ได้กินอาหารว่างมาคนที่ไม่ได้กินอาหารว่างมาก่อนนหิวเห็นรออาหารอยู่พออาหารมานี่ก็ แย่งกันเลยแต่คนที่กินอาหารว่างมาแล้วจากบ้านพออาหารมาถึงก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่หิวโหวย น, นี่คือสิ่งที่เราต้องมีขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการใช้ขัดเกลอกิเลสตัญหาต่างๆที่ทำให้ใจเราทุกทรมานกัน เราต้องมีความสงบความสุขทางใจชั่วคราวนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือไว้ต้านต่อสู้กับความทรมานใจที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วทำให้เรา น, นี้จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้อเอแล้วไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไป แล้วมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดนะแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปคนที่เลิกบุหรี่ได้แล้วนี่เขาไม่ต้องไปสูบบุหรี่คนที่เลิกสุราเลิกกาแฟได้แล้ว เ, เขาไม่ต้องกลับไปดื่มกาแฟดื่มสุราอีกถึงแม้ดื่มเขาก็ไม่ติดเขาดื่มเพี้ยครั้งเดียวเราไม่ได้ดื่มเพราะเขาอยากจะดื่ม เดืมเพราะเก่งใจคนเขาเอามาให้ไปไปเยี่ยมกันเขาก็ชงกาแฟมาให้ก็กินกระถ้วยหนึ่งถ้าเราไม่ได้กินด้วยความอยากมันจะไม่ติดแต่ถ้าเรากินด้วยความอยากไปถึงบ้านเขาแล้วถามว่ามีกาแฟหรือเปล่าถ้าอย่างนี้เรียกว่าอยากถ้าออกจากใจเราเนี้ยสแสดงว่าอยากแต่ถ้าออกจากใจคนอื่นเขาเขา เขามาต้อนรับแขกเขามีกาแฟเลี้ยงเขาก็ทํากาแฟมาเลี้ยงเราก็เป็นแขกก็ต้องเกรงใจไม่ใช่ไปลอกผมไม่เอากาแฟเอาชาได้ไหมอย่างนี้ก็เป็นความอยากละอยากดื่มชาหรือไม่อยากดื่มกาแฟหรือถ้าเขาให้มาดื่มก็ดื่มแค่คำสองคำก็พอพอให้ไม่เสียมารยาทคนที่ไม่อยากดื่มแล้ว เฉยเด่มก็ได้ไม่เด่มก็ได้คนที่เลิกได้เพราะเห็นโทษต้องเห็นโทษของความอยากด้วยถึงจะเลิกได้อย่างถาวรถ้ายังไม่เห็นโทษของการดื่มถึงแม้จะเลิกไปสักพักหนึ่งพอถึงเวลาความอยากมันก็ยังมีอยู่เช่นในช่วงเข้าพรรษานี่บางคนเลิกสุราเลิกดื่มสุราสามเดือนแต่พอพรรษาปั๊บดื่มต่อเลย อันนี้ก็ไม่ได้เห็นโทษของความอยากดื่มโซราเพียงแต่เห็นว่าดื่มโซดาแนละ้วมันก็ไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่มันทำให้ทรมานใจไม่ดีตรงที่มันเป็นความอยากความอยากนี่ทำให้ทรมานใจแล้วทำให้ติดต้องอยากอยู่เรื่อยๆต้องเห็นโทษตรงนี้แล้วก็จะต้องไม่ทำตามความอยาก ทุกครั้งที่มันความอยากโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาต่อไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเพียงแต่บอกว่าตอนนี้ขอพักสามเดือนไม่ดื่มสุราความอยากถึงแม้มันจะโผล่เราก็ไม่ดืม่มแต่เรามีกำหนดเวลาไว้แค่สามเดือนพอออกพรรษามาพอความอยากโผล่ขึ้นมาก็ดื่มต่อ ทำต่อมันก็จะไม่หมดเนี่ยถ้าออกพรรษามาแล้วไม่ดื่มต่อมันอยากยังไงก็ไม่ดื่มต่อเดี๋ยวไม่นานมันก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่ากลับมามันก็ดื่มไม่ได้เราต้องรู้ว่าทําไมเราถึงต้องไม่ทําตามความอยากเพราะความอยากนี่มันเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่มันจะ มีลิธมีเดชไปเรื่อยๆถ้าเราไปส่งเสริมมันไปทำตามมันอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะฆ่ามันวิธีที่จะทำให้มันหมดก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเสมอทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาก็ไม่เอาถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะหมดลทธ์หมดเดชไป น, นี่คือเรื่องของการขัดเกาจิตใจพระพุทธเจ้าก็มอบเครื่องมือ ที่เราให้พวกเรามาขัดเกลีวจิตใจกันเหมือนเวลาเราจะไปขัดเกลียวทความสะอาดเราก็ต้องมีเครื่องมือมีแปรงมีน้ํามีอะไรต่างๆมีผ้ามีอะไรมาเช็ดมาทําความสะอาดสิ่งที่สะปะปกปรกเช่นพื้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องกวาดกวาดแล้วก็ต้องถูถ้ามันมีมีคราบสกปรกที่กวาดหรือถูไม่ออกก็ต้องใช้แปรงมาขัดเนย ใช้น้ำยามาลงพระพุทธเจ้าก็มีเครื่องมือให้พวกเรามาใช้ในการขัดเกลวความอยากต่างๆความโลภต่างๆเพื่อให้มันหมดไปจากใจ เ, ออเครื่องมือนี้ก็มีสามชนิดด้วยกันคือ 1. การทำทานออการเสียสละแบ่งปันนีเรียกว่าทานเรามีข้าวของเงินทองหรือกินเหลือใชเออ้เราเอามาทำทานกันเพราะนี้เป็นการ หยุดความอยากในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งแทนที่จะอาําเงนไปซื้อของที่เราอยากได้โดยที่เรามันไม่จําเป็นจะต้องซื้อเช่นซื้อเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเงี้ยซื้อรองเท้าอีกคู่หนึ่ง <Yeah. S 1> หรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของพวกนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมีแต่เราอยากเพราะมันเราเคยทํามาแล้วมันติดเป็นนิสัยถ้าอยากซื้อของแล้วมันก็จะติด พออยากซื้อของก็ไปซื้อพอมีเงินก็อยากซื้ออีกมันก็จะซื้อไปเรื่อยๆเห็นอะไรชอบก็อยากจะซื้อถ้าอยากเที่ยวมันก็จะไปเที่ยวเรื่อยๆพอมีเงินเหลือก็ไปเที่ยวกันเถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเหล่านี้เราก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากไปใช้ตามความอยากนี้มาทาบุญทาทานแทน อันนี้มาซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อพระพุทธรูปซื้ออะไรต่างๆมาทําบุญให้กับวัดเนี่ยเป็นการตัดความอยากเงินที่เราจะใช้ไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆเราก็หยุดซื้อมาซื้อของที่ที่ให้คนอื่นเรียวกว่าทําบุญทําทานอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการกําจัดความโลภความอยาก ในการใช้เงินทองซื้อความอยากต่างๆซื้อของตามความอยากต่างๆทำอะไรตามความอยากต่างๆพ <im pronounced own> อเราไม่ทำตามความอยากเหล่านี้ต่อไปความอยากเหล่านี้มันก็จะหายไปต่อไปจะไม่อยากเที่ยวไม่มีความอยากเที่ยวต่อไปจะ ม, มีความอยากจะซื้อเสื้อผ้า Theater, ซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของไม่จําเป็นต่างๆซื้อไปก็เท่านั้น อามาทาบุญนี่ความสุขใจมากกว่ากันเยอะแยะความสุขใจที่ได้จากการทําบุญกับความสุขใจที่ได้กับการทําตามความอยากนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเนทําตามความอยากมันสุขเดี๋ยวเดียวพอเห็นของใหม่เปล่าโผล่ขึ้นมาความสุขนั้นหายไปละอยากจะได้ของใหม่ก็แต่ความสุขที่เกิดจากการทําทานทําบุญนี้มันจะอยู่ไปนาน ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญถึงทานที่เราทํานี่มันก็ทําให้เกิดความสุขใจเอ็มใจขึ้นมาไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เราคิดถึงกระเป๋ารองเท้ามันแทนที่จะสุขใจมันกับหิวอยากจะได้คู่ใหม่อยากจะได้ใบใหม่ต่างกันตรงนี้คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวพอคิดแล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวอีกแทนที่จะทําให้ความอยากมันหมดกลับทําให้เกิดความอยากขึ้นมาอีก แทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำคิดถึงทีไรก็ทำให้เราอิ่มใจสุขใจทำให้เราไม่อยากไปทำอะไรถ้ามีเงินอีกก็จะทำบุญอีกทำทานอีกอันนี้เกิดวิธีขัดเกลวความโลภความอยากอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้ความโกรธนิดน้อยลงไปด้วยเพราะความโกรธนี้มันก็เกิดจากความอยาก เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เรารู้สึกยังไงโกรธนะอยากจะให้เพื่อนไปเที่ยวกับเรา <d> เพื่อนไม่ยอมไปเที่ยวกับเราเนี่โกรธไหยเสียใจไหมอันนี้อยากจะได้อะไรแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่โกรธ ถ, ถ้าเราไม่ชวนเพื่อนไปเที่ยวเราก็จะไม่มีวันโกรธเพื่อนนะเพราะเขาก็จะไม่ต้องมาขัดใจเรา ถ้าเขาไม่อยากไปกับเราอนี่ความความโกรธก็จะหายไปด้วยถ้าความอยากหายไปความโกรธก็จะหายไปความอยากก็เกิดจากความหลงความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การทำตามความอยากแต่พอมาฟังทำมาฟังความจริงเราก็รู้แล้วว่าทีนี้ความสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำตามความอยาก แต่อยู่ที่การไม่ทําตามความอยากอยู่ที่การฝืนความอยากพ <c oughs> อฝืนความอยากแล้วความอยากนั้นมันจะหยุดมันจะหายไป น, นี้เราฝืนความอยากใช้เงินไปซื้อของตา่ตางๆเอาเงินมาซื้อมาทําบุญกันแทนซื้อของซื้อน้ําซื้อข้าวซื้ออะไรมาถวายวัดอันนี้ก็เราก็หยุดใช้เงินไปทําตามความอยากไปซื้อของตามความอยาก ความอยากที่จะใช้เงินก้อนนี้ไปซื้อของมันก็หมดไปพอเงินก้อนนี้มันก็หมดไปเคราวหน้าถ้ามีก้อนเงินก้อนใหม่ขึ้นมาอีกแล้วยังอยากจะใช้เงินนี้ไปเที่ยวไปซื้ออะไรอีกเราก็เอามาทําบุญอีกทําไปงี้เรื่อยๆต่อไปความอยากเที่ยวอยากใช้เงินซื้อของต่างๆมันจะหายไปหมดแล้แล้วเราจะอยู่แบบเรียบง่ายได้ไม่ต้องมีอะไรมาก มีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอมีของพอที่ใช้ได้พออยู่ได้ก็พออย่างที่ในหลวงท่านตัดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือให้มีเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นให้มันพอเพียงก็พอมีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วมีมีที่อยู่อาศัยแล้วมีอาหารรับประทานแล้วมีเครื่องนุ่งห่มแล้วมียารักษาโรคแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไร มากไปก่อนนั้นมีเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกสบเท่าก็ไม่ได้ทำให้มันต่างกับตอนที่มีเสื้อผ้าอยู่เท่านี้เพราะมันก็ใช้ได้เท่านี้แหละเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองมันไม่ได้ใส่ทีละสิบชุดเนี่ยไม่ได้ใส่ทีละร้อยชุดนี่มันใส่ทีละชุดเท่านั้นเองเสื้อผ้ามันก็มีหน้าที่ทำหน้าที่รักษาดูแลร่างกายให้ปลอดภัย ป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็ยนป้องกันแมล ง, งสัา์กัดต่อยอะไรต่างๆปกปิดอวัยวะไว้เท่านั้นเองมีชุดเดียวมันก็ใช้ได้คนบางคนนี่มีแค่สองชุดเขาก็อยู่ได้ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักสลับกันของผ้านี่ก็มีอยู่ชุดเดียวมีจีวรไว้หม่มผ้าห่มหนึ่งผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืน นี่แค่สามผืนเรียกว่าภาพใจก็อยู่ได้แล้วพอแล้วมีน้อยก็สบายไม่ต้องดูแลรักษามากไ ม, ไม่ต้องมาวุ่นวายหาที่เก็บไม่ต้องมากังวลกับการรักษามีเดี๋ยวมีของดีเดี๋ยวขโมยก็ขึ้นบ้างอีกถ้าไม่มีของขโมยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนน้ําตาลถ้าไม่มีน้ําตาลมดมันไม่ขึ้นถ้ามีน้ําตาลเดี๋ยวมดมันก็ขึ้น ขโมยมันไปที่ที่มีของที่ไม่มีของมันไม่ไปให้เสียเวลาลวไปมันก็ไม่ได้อะไร น, นี้คือเครื่องมือแรกที่พระเจ้าให้มอบกับเราเพื่อให้ใจเราในขัดเกาวาความอยากแล้วพอความอยากเหล่านี้ได้รับการขัดเกลว่าด้วยการทำบุญทำทานเราก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นมา น, นี่คือวิธี หาความสุขทางใจที่ถูกต้องก็คือการเอาเงินมาทําบุญทําแทนอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปซื้อข้าวของตามความอยากต่างๆพราะมันเป็นความสุขลองเป็นความสุขเหมือนควันไฟเวลาไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วแล้วก็ทําให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่ขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญนี้กลับมาบ้านยังสุขใจอิ่มใจอยู่ ยังไม่คิดมีความอยากจะไปเที่ยวไหนไ ม, มีความสุขที่ต่างกันความสุขทางใจนี้ที่เกิดจากการทาบุญทำทานนี้มันจะยาวกว่าทำไปแล้วเดือนหนึ่งพอคิดถึงมันก็ยังทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แต่ถ้าไปคิดถึงที่เราเคยไปเที่ยวนี้พอคิดแล้วแทนที่จะสุขใจอิ่มใจกับ เหงาแล้วสิกลับอยากจะไปเที่ยวแล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แล้ว<ม>นี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเรามีเงินที่เราจะเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเราต้องห้ามใจเราอย่าไปทำเอาเงินไปทำบุญแทน<ม>ถ้าอยากจะใช้เงินก็อนนี้ถ้าไม่อยากจะใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้ทำตามความอยากถ้าไม่ได้เอาเงินไปใช้ตามความอยาก เก็บไว้ก็ได้ถ้าไม่เอาไปทำบุญแต่เก็บไว้มันก็าจะไม่ได้รับความสุขใจเหมือนกับเวลาที่เราเอาไปทำบุญแล้วก็ประโยชน์จากการทำบุญมันก็ดีกว่าประโยชน์ที่จากเก็บเงินเอาไว้เงินที่เราเก็บเอาไว้เวลาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แล้วเวลาเรากลับมามันก็ไม่มีเงินรอเราอยู่แต่ถ้าเงินที่เราไปทำบุญนี่เหมือนกับเงินเราไปฝากไว้ในธนาคาร ตายไปเรากลับมาก็ยังมีเงินนี้รอเราอยู่กลับมาเกิดเป็นลูกคนรวยแล้วเวลาตายไปเราก็เอาบุญเอาเงินที่เราทําบุญนี้ไปได้เอาบุญไปแล้วบุญนี้ก็จะพาเราไปท่องเที่ยวในโลกคลิกกันต่อไปเที่ยวในสวรรค์กันพวกที่ทําบุญเนี่ยถ้าตายไปถ้าไม่ได้ทําบาปก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปท่องเที่ยว ไปโลกทิพไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปริมรถ ด, ดมกลิ่นทิพย์ต่างๆแล้วพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเบิกเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญกลับมาเป็นลูกของคนมีฐานะมีเงินมีทองมีมากมีน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำกันในชาตินี้ ถ้าทำมากชาติหน้ากลับมาก็จะมีเงินรอเราอยู่มากถ้าทําน้อยชาติหน้ากลับมาก็มีเงินรอเราอยู่น้อยถ้าไม่ทําเลยกลับมาก็ไม่มีอะไรเลยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการขัดเกาวิตใจด้วยการทําบุญทําทานแต่มันยังไม่หมดนียังมี กิเลสตันหาความโลภความอยากแบบในรูปแบบอื่นอีกที่เรายังต้องกําจัดเนีพระพุทธเจ้าก็ให้เครื่องมือข้อชิ้นที่สองคือศีลให้เรามารักษาศีลกันศีลนี้ก็จะกําจัดความอยากที่จะไปทําให้ใจเราต้องไปติดคุกติดตารางกันเช่นอยากฆ่าคนอื่นอยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากโกหกหลอกลวง อยากดื่มสุรายาเมวถ้าเราปล่อยให้ใจเราทาํทาตามความอยากเหล่านี้ใจเราจะร้อนขึ้นมาใจเราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายเวลาฆ่าคนดูดูว่าเราจะสบายใจไนมะไม่ต้องฆ่าคนบางคนฆ่าสัตว์ก็ไม่สบายใจแล้วตบยุงตัวเดียวบางทีก็ไม่สบายใจแล้วถ้าเราคิดหนักๆเนีนะ่ย ถ้าคิดว่าถ้าเราเป็นยุงให้เขาตบบ้างเราจะรู้สึกยังไงชีวิตของยุงกับชีวิตของเรานี้มันเท่ากันนะมันยุง ม, มันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับเรารักชีวิตของเราถ้าฆ่ามันมันก็เหมือนกับค่าเราถ้าเราคิดหนักๆแล้วเราจะไม่กล้าเราจะไม่อยากทําแล้วเวลาเกิดเราไปฆ่าโดยอุบัติเหตุเรายังไม่สบายใจเลย ญาติโยมบางคนขับรถไปชนสุนัขไปชนแมวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแมวมันวิ่งมาข้ามมาตับหน้ารถหรือมันมันนอนอยู่ข้างหลังรถเวลาถอยรถมองไม่เห็นมันไปเหยียบมันตายพอตายแล้วคนขับก็ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ไม่สบายใจแบบนี้มันเดี๋ยวเดียวถ้าเข้าใจก็จะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดความไม่สบายใจ ถ้าเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นความความตั้งใจของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรา อ, อยากจะทำมันเป็นเหตุสุดวิสัยช่วยไม่ได้ก็จะไม่ค่อยไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจอยากจะทำเนี่ยมันจะทำให้ใจเราไม่สบายั้นอย่าไปทำบาปห้าข้อ ทำแล้วจะทำให้ใจเราไม่สบายแทนที่จะมีความสุขระหว่างการทำบาปกับไม่ทำบาปนี้ผลจะเห็นกันชัดเลยทำบาปแล้วจะไม่สบายใจไม่ได้ทำบาปแล้วจะสบายใจแต่ตอนนี้เราสบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเมา เดี๋ยวถ้าเราลองไปดื่มสุราดื่มแล้วเราจะไม่สบายใจจะเสียใจว่าเราไม่น่าดื่มเลยดื่มแล้วก็เมาโซเซไม่เป็นไม่เป็นคนกลายเป็นหมาไปเวลากินเหล้านี่คนนี่กลายเป็นหมาไปผู้จาก็ก้าวเล้าหยาบคายเหมือนหมาเห่าคนฟังแล้วก็ไม่อยากจะฟังดีไม่ดีดก็ไปกลับไปทําร้ายผู้อื่น คนที่เมาสุราจะไม่มีสติยับยั้งการกระทาที่ไม่ดีต่างๆทำแล้วก็มาเสียใจในภายหลังไม่สบายใจในภายหลังฉะนั้นขอให้เราหยุดทำบาปกันพอเราหยุดทำบาปห้าข้อได้แล้วทา่านกรรมาสร์เนี่ยเราหยุดทำสิ่งที่ไม่บาปแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์กับใจเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับใจเหมือนกันแต่ไม่บาปคือ การมาถือสีแ8กันรักษาศีลห้าได้แล้วก็ทํามาถือสีแปดมาห้ามเพิ่มอีกสามข้อข้อที่สามเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นการไม่เสพกรามเลยไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาเขาตนถ้าถือศีห้าสีล็สาม น, นี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้แต่ถ้าถือสีแ8นี้ก็ให้งด การร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาเพื่อจะได้เอาเวลามาขัดเกลวจิตใจในระดับที่สูงในระดับที่ละเอียดขึ้นไปก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราไปหลับนอนกันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันคนถือศีลแปดเลยต้องแยกอยู่กันไม่ให้อยู่ร่วมกันสองต่อสอง อยู่ร่วมกันสองต่อสองแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากร่วมหลับนอนเกิดขึ้นมาแทนที่จะนั่งสมาธิกันก็จะไปร่วมหลับนอนกันแทนที่จะขาดกาวจิตใจก็กลับไปสะสมสิ่งที่มันเป็นสนิมของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นการร่วมหลับนอนกันนี่ก็เป็นกิเลสแบบหนึง่งเป็นกิเลสตัณหาเป็นความอยากที่จะทำให้จิตใจเรานี้ต้องทุกข์ต่อไป เพราะต่อไปถ้าเกิดเราอยากมีอย่างนอนกับแฟนแล้วแฟนตายไปหรือแฟนไม่อยู่เราก็จะทุกข์นอนเนีก็นอนไม่หลับ ว, าว้าเหวเศ้าซ้อยง่อยเหงาอันนี้นี่คือการขัดแก้วที่ละเอียดขึ้นไปขัดด้วยสีแปดสีห้าก็ขัดได้ระดับหนึ่งแต่อยากจะให้มันละเอียดกว่านั้นขนมที่มันลึกกว่านั้นก็ต้องใช้ศีแปด สินข้อสมก็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วเพิ่มสินข้อหกข้อหกก็จะไม่ไปกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินถึงเที่ยงนี้ก็เหลือเฟือแล้วร่างกายอยู่ได้ไม่ตายแน่นอนไม่หิวแน่นอนที่หิวไม่ใช่ร่างกายหิวที่หิวคือกิเลสหิวตัณหาหิวความอยากหิวความอยากกินไม่ใช่ความหิวของร่างกาย ร่างกายนี้ถ้าให้มันกินเต็มที่แล้วมันมันอยู่ได้แล้วเหมือนเติมน้ามันรถเนี่ยเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยขนเดียวเติมขนเดียวก็พอไม่ต้องเติมทีละหนึ่งในสามเดี๋ยวเติมทีละหนึ่งในสามเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องเติมใหม่กินสามมื้อเนี่ยเราก็เอาสามมื้อมารวมกันเป็นมื้อเดียวไปเลยกินมันทีเดียวให้เต็มท้องอิ่มนั่นไปเลยแล้วก็เลิกกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าอยากจะกินก็นสแสดงว่าไม่ใช่ความหิวของร่างกายเป็นความหิวของกิเลสตัณหาที่เราต้องกาจัดไม่ใช่เพส่งเสริมนี่คือข้อห้ามไม่ให้เรากินอาหารหลังเที่ยงวันเพื่อเราจะได้กำจัดกิเลสตัณหาที่อยากจะกินแบบไม่มีเวล่ำเวลาเห็นอะไรคิดถึงอะไรก็อยากขึ้นมาแล้วก็ต้องหากินอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่มีกินก็จะทุกข์ ด้วยกินมากไปร่างกายก็จะเจ็บ่ายได้ป่วยร่างกายก็จะมีโรคภัยต่างๆตามมาจากการที่เรากินมากเกินไปทําให้ร่างกายน้ําหนักเกินโรคเบาหวานเลอกความดันโรคหัวใจเลอกอะไรต่างๆมันก็จะตามมาเป็นโทษไม่เป็นคุณทั้งจิตใจและร่างกาย แล้วเราก็มารักษาข้อเจ็ดคือไม่หาความสุขจากการบันเทิงมหอลสรการท่องเที่ยวถ้าถึงสินแปดแล้วไปไปเที่ยวไม่ได้ไปตามบาวตามผับไม่ได้ไปไปดูหนังดูละครไม่ได้ไปคอนเสิร์ตไปฟังคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วก็แต่งตัวไม่ได้แต่งเสริมความงามต่างๆทำเเผาทำผม ใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดารแล้วก็ทำหน้าทำตาทำอะไรต่างๆทานน้ำมันทานน้ำผง อ, อันนี้ก็ไม่ให้หาความสุขแบบนี้เป็นความอยากที่จะทำให้เราเศร้าหมองได้เวลาที่เราไม่มีโอกาสได้ทำวันไหนไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเราจะรู้สึกไม่มั่นใจใจจะไม่มีความมั่นใจ มไม่กล้าออกไปนอกบ้านกลัวคนเห็นหน้าตาเราตอนที่เราไม่ได้แต่งแล้วมันดูไม่ได้ก็จะไม่มีความมั่นใจก็ความไม่มั่นใจนี่คืความทุกข์แบบหนึ่งความไม่สบายใจแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามาชื่อสินแตัดได้เนี่ยนุ่มขาวหมขาวใสยย่นี้ได้ต่อไปเราไปไหนก็สบายไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าทาปากไม่ต้องเสริมความงามอะไรต่างก็ไปของเราอย่างนี้แหละไม่เห็นเดือดร้อนไปตรงไหน ประหยัดเงินประหยัดทองไปเยอะเครื่องสัมมาแต่ละอนันถูกที่ไหนน้ําหอมขวด น, นิดเดียวเป็นพันเนี่ยที่ทาตาทาคิ้วขวด น, น, นิดเดียวเป็นพันเนี่ยเสียเงินโดยใช่เหตุทาเสร็จก็มาล้างทิ้งอีกางเดียวทาเสร็จเดี๋ยวก่อนจะนอนอาบนา้ําก็ทาร่างไปหมดเลยเอาเงินไปทิ้งเปล่าเอาเงินไกซื้อเครื่องสัมมาอันี้ไปทําบุญดีกว่าะ จะได้ความสุขมากกว่าแล้วข้อแปดข้อสุดท้ายก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปนอนมากเกินไปก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาขัดเกากิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นกว่าถ้านอนมากวิธีนอนมากก็คือนอนบนฟูกนะหนาๆนอนบนเตียงสบายๆพอพอนอนแล้วมันมันไม่อยากจะลุก ถึงแม้ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจยังไม่อยากลุกยังไม่อยากอยู่กับความสบายอยู่ก็จะหลับต่อไปนอนต่อไปสามสี่ชั่วโมงเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้การนั่งสมาธิมาขัดเกลาวิเลสก็จะหมดไปกับการนอนถ้าอยากจะนอนแบบไม่แบบไม่มากก็นอนบนพื้นแข็งแข็งถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งนี่มันไม่สบาย พอร่างกายมันได้พักผ่อนพอเราวตื่นขึ้นมามันจะไม่นอนต่อมันลุกขึ้นมาดีกว่าลุกขึ้นมานั่งสมาธิสบายก่อนนอนบนพื้นแข็งๆนะคนี่คือเครื่องมือชิ้นที่สองเกือเีลที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเอามาขัดเกลาจิตใจของเราตอนต้นก็เอาศสีลนห้าก่อนเสียนห้าไม่ได้ก็เอาเสียนหนึ่งก่อนก็ได้เลือกข้อใดข้อหนึ่งก่อนไม่ต้องเอาทั้งห้าข้อ เอาทีละข้อเพิ่มไปทีละข้อข้อแรกควรจะควรจะหยุดก็คือสุราควรจะเดือดหยุดดื่มสุราก่อนเพราะถ้าดื่มสุราแล้วมันจะรักษาข้ออื่นยากพอมเมาแล้วมันมันไม่สามารถรักษาข้ออื่นได้เลยเัยงนข้อแรกที่เราควรจะรักษาก็คือไม่ดื่มสุราพอเราไม่ดื่มสุราได้เราก็มารักษาข้อที่สี่ที่ง่ายก็คืออย่าพูดปด เวลาจะพูดเปิดก็หุบปากว่าอย่าพูดอะไรทั้งนั้นมันก็ไม่พูดแล้วถ้าไม่ได้พูดโกหกแล้วถ้าเราจะพูดโกหกเราก็หุบเราหุบปากอย่าไปพูดอะไรหรือเปลี่ยนเรื่องพูดก็าถามว่าไปไหนก็ถ้าเราตอบก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าจะกินข้าวแล้วล่ะจะทํานู่นจะทํานี่ก็ว่าไปหรือว่าวันนี้อากาศดีเหลือเกินนะสบายดีหรือเปล่าพูดเรื่องอื่นไป จะได้ไม่ต้องไปโกหกเขาหรือไม่พูดเลยก็จะยิ้มให้เขาเฉยๆก็แล้วกันทำเป็นหูหนวกไปเราก็จะไม่ต้องพูดโกหกกันแ ล, แล้วค่อยมารักข้อที่สามละคือ ก, การร่วมหลับนอนบรพฤตผิดประเวณีเราจะนอนก็ต้องนอนกับสามีภรรยาต้องแต่งงานกันก่อน อย่ yeah, อยู่แบบสุนัขสุนัขนี่เขาไม่แต่งงานกันเขาเจอกันที่ไหนเขาชอบพอกันเขาก็ชวนกันไปหลับไปนอนกันพอหลับนอนเสร็จเขาก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางเดี๋ยวก็ไปเจอตัวใหม่เขาก็ไปหลับนอนกับตัวใหม่แต่เราเป็นมนุษย์นี่เราต้องอยู่แบบมีครอบครัวอยู่เป็นแบบครอบครัวอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียวถึงจะเป็นมนุษย์ แล้วความทุกข์มันจะน้อยกว่าคนที่ส้ำส้อนคนที่อยู่กับสามีภรรยานี่จะไม่ค่อยมีความทุกข์มากกับเหมือนกับคนที่ร่วมหนับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของตนเพราะมันจะเลิกกันง่ายรักกันง่ายเลิกกันง่ายเวลาเลิกกันก็เหงาก็ว่าเว่เศ้าส้อยง้อยเหงาอีกแต่ถ้าอยู่กับสามีภรรยาก็จะอยู่กันไปได้ตลอดจนวันตายเลย จะมีเพื่อนหลับนอนด้วยกันทุกคืนไม่วางเว้นนอกจากความตายเท่านั้นจะจะมาพัดภากจากกันหรือธุรกิจที่ต้องไปทำงานที่อื่นอะไรเท่านั้นเองแล้วก็มาละข้อทยา ก, ก่า น, นั้นก็คือข้อรักทรัพย์แล้วก็ข้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือ การฝึกหัดจิตใจขาดเกาจิตใจด้วยการรักษาศีลพอรักษาศีลหได้ก็มาเพิ่มศีลข้อ6กเป็นศีลข้อสาเป็นศีลข้อไม่หลับนอนกับใครเลิกละเลิกหาความสุขจากการหลับนอนน่วมกับคนอื่นแล้วก็มารักษาศีลข้อ6กข้อเ็ดข้อ8ไปตามลําดับฝึกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ เ, เราจะมีกําลังมากขึ้นไปเราจะหยุด การกระทําเหล่านี้ได้ความอยากก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือเครื่องมือชิ้นที่สองชิ้นที่สามท่านให้เรามาเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือมาขัดเกาวิจใจด้วยวิธีนั่งสมาธิกับการใช้ปัญญานี่ภาวนามีสองขั้นขั้นสมาธิกับขั้นปัญญา การสมาธิก er ็หยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดเนี่ยถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะเกิดขึ yes, <the <the <ple <ple ้นมาไม่ได้ความอยากนี้มันต้องมีความคิดชวนก่อนพอคิดถึงกาแฟมันถึงจะอยากดื่มกาแฟขึ้นมาพอคิดถึงสุรามันถึงจะอยากดื่มสุราขึ้นมาพอคิดถึงเที่ยวมันถึงอยากจะเที่ยวแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยาก เราต้องพยายามควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องที่จะทําให้เกิดความอยากก็ใช้คําบริกรรมพุทโธใช้สติหยุดมันสติก็คือให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ไม่ทําให้เกิดความอยากจึนคิดอยู่คําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นหรือคิดบทสวดมน์ก็ได้สวดมน์ไปภายในใจอิติปิโสไปน้อยจบอย่างนี้ความคิด มันจะความอยากมันจะเกิดไม่ได้แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรหลับตาใจเราก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบได้เต็มร้อยพอสงบเต็มที่นี่มันจะสุขมันจะสบายมันจะอิ่มมันจะพอพอเรามีความสุขจากจากการมีความสงบแล้วทีนี้เราจะมีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆได้พอเราออกจากสมาธิมา พออยากจะดื่มกาแฟก็ใช้ปัญญามาสอนว่าถ้าจะดื่มกาแฟก็ต้องดื่มไปจำวันตายแล้วเวลาไหนไม่มีกาแฟดื่มเวลานั้นก็จะทุกข์ถ้าเลิกดื่มแคแต่วันนี้เดี๋ยวอีกสองสามวันมันก็จะหายมันจะไม่ต้องดื่มอีกต่อไปมันจะไม่มีอะไรมามาบังคับมาลากให้เราไปดื่มอีกต่อไปเพราะถ้าเราฝืนความอยากได้ไม่กี่ครั้งความอยา ก, ม, ก, าา ม, ยากมันก็จะหมดล่นไปเอง แล้วเราถ้าเผื่อความอยากได้ทุกชนิดเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การที่เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้เพราะเรายังมีความอยากอยู่อยากดูรูปก็ต้องมีตาอยากฟังเสียงก็ต้องมีหูอยากลิ่มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆมันก็ต้องมีร่างกายถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่พอร่างกายของเรานี้ตายไป เราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาทุกขกับร่างกายอันใหม่ต้องมาเลี้ยงดูมันทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายมีแต่เรื่องทุกข์ตลอดเวลาถ้ามาเกิดแล้วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆ้วยการภาวนา้วยการทำใจให้สงบให้มีความสุขในใจ เพื่อที่จะได้ฝืนความอยากที่จะไปหาความสุขข้างนอกใจได้พอมีสมาธิมีความสุขในใจพออยากจะไปเที่ยวก็บอกว่ า, วาไม่ไปก็ได้อยู่นั่งสมาธิสบายกว่าก็ไม่ต้องไปทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปหมดไปแล้วทีนี้ใจเราก็สะอาดบริสุทธิ์เราได้ชาระขัดเกลาจิตใจได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ ใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานไปใจก็จะเป็นพระอารหันต์ไปพระอารหันต์ก็คือใจที่เป็นพระนิพพานนี่เราเรียกว่าพระอารหรันต์พระอารหันต์นี้คือเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจิตใจปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะอยู่ในโลกที่ โดยที่ไม่ต้องมามีร่างกายมาแบกเหมือนพวกเราพวกเราอยู่ในโลกทิพย์แต่เรายังออกยังออกมาแบกร่างกายในโลกกระทา น, นี้แล้วก็มาทุกกับร่างกายในโลกกระทา น, นี้อยู่เรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อคนเจาิญเขาไม่แบกเขาอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าสบายกว่าจะอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ก็ต้องอยู่ ต้องกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปนี่คือเป้าหมายของการขัดเกลีจิตใจเพื่อให้จิตใจของเร า, เาไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเพราะเรามีความสะอาดบริสุทเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่เราจะได้รับจากการมีร่างกายานี่แหละคือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ นั่นนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเรามาขัดเกลีจิตใจให้สะอาดกันเพื่อเราจะได้หมดทุกข์หมดหมดโศกหมดภัยหวดการแก่การเจ็บการตายกันว่าเราจะได้มีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่สูงชั้นสูงสุดเรียกว่าวิสุทธิเทพเทพที่ไม่มีกิเลสตัณหาเทพชั้นอื่นยังมีกิเลสตัณหาอยู่ แตวิสุทธิเทพนี้เป็นเทพที่ไม่มีกิเลสตัณหาจึงไม่ต้องกลับ ม, มาเกิดอีกต่อไปนะก็ขอให้พวกเราหมั่นพยายามขัดเกลอกัอนไปเรื่อยๆถ้าไม่ทําเลยไม่หยุดไม่หย่อนรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร อ, อยัตถาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปันะราโสยะธามานิชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุทถาปจายิโน จตารโรธ ม, มวทันติอายุวโนสุขังภาลงางช่วงนี้เป็นช่วงถามปัญหาใครอยากจะถามคำถามอะไรขอเชิญถามได้ถ้าอยากจะถามดังๆหน่อยดังๆหน่อย เวลาเวลากำหนดรูร้ทุกอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยการทำบริกรรมที่บางครั้งมันหยุดคิดไม่ได้แต่ว่ า, วาการบริกรรบนะครั้งก็รู้สึกเบื่อสิ่งนี้เลยสลับด้วยการพิจารณาหรือได้ถ้าพิจารณาก็ได้พิจารณาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาเป็นพิจารณาว่าของที่เราทุกเดือนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไป เราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันอยู่ปล่อยให้มันไปการพิจารณานี้ไม่ใช่เป็นการกําหนดรู้ใช่ไหมคะไม่ใช่กําหนดรู้ไม่ได้เป็นการรู้เช่นดูลมนี้มันไม่ได้พิจารณาพิจารณาต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเช่นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันแก่เจ็บตายห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายอสอนจิตให้มันปล่อย ตอนนี้จิตมันไม่ปล่อยจิตมันอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเลยทุกข์กันถ้ารู้ว่ามันอยากแล้วมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปอยากดีกว่าปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพอเราปล่อยแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าอย่างถ้าเกิดสมเลยในระดับคือราดับการละสมารถอย่างเนี้ยค่ะมันไปถึงจุดๆุดหนึ่งการบริกรรมมันหายไป ความคมิดันขึ้นมาามมันนก็บริกรรมใหม่ถ้ามันมีความคิดขึ้นมาเราก็ต้องบริกรรมใหม่อย่าปล่อยมันคิดอย่าปล่อยมันคิดถ้านั่งสมาธิต้องการให้มันว่างให้มันหยุดคิดบริกรรมนี้เพื่อให้มันหยุดคิดพอหยุดบริกรรมความคิดโผล่ขึ้นมาก็ต้องบริกรรมใหม่สู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้ชักก็เยอะกันความคิดกับการกับพุทโธมันนี้มันจะสู้กัน ถ้าหยุดพุดโทโธความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาอนอกจากถ้ามันหมดหมดแรงมันก็จะไม่โผล่เราก็ไม่ต้องพุโทโธบางครั้งมันเหนื่อยมันก็เหมือนกับพักไปอย่างเนี้ยถ้ามันพักเราก็พักไปต่างฝ่ายต่างพักไปก็ใช้ได้นะนะภาวะตรงนั้นเราแค่เฝ้าดูมัน่ให้มีสติรู้เฉยๆไม่อย่าให้มันคิดถ้าการมีสติรู้แม้แม้ว่าจะรู้แค มันทุกข์ก็ต้องดับทุกข์สิถ้ามันดับถ้ามันดับเองก็ไม่ต้องดับมันถ้ามันไม่ดับก็ต้องดับมันถ้าไม่ดับมันก็ทุกข์แล้วใครอยากจะทุกข์อ่ะใช่ไหมเวลาทุกข์ก็ต้องดับมันถ้าดับได้ก็ต้องดับมันถ้าดับไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กับมันไปจนกว่าจะรู้จักวิธีดับมัน ต้องเข้าใจว่าเวลาทําสมาธิกับเวลาพิจารณานี่มันควรจะเป็นคนละคนละช่วงกันคนละแบบกันถ้าเรานั่งสมาธินี่เราไม่ต้องไปคิด <c oughs> ไม่ต้องไปกำหนดให้หยุดความคิดอย่างเดียว <c oughs> ส่วนถ้าเราไม่ได้อยู่ในสมาธิ <c oughs> ออกมาเจอความ <c oughs> ทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาดับทุกข์มันให้ได้แสดงว่า <c oughs> ในช่วงทําสมาธิเราไม่ควรทําสลับเลยใช่ไม่ควรปนกันไม่ควรปนกัน มันท th ําสมาธิน th ี่ต้องให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันว่างอย่างเดียวถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุทโธไล่มันไปมันทุกก็ใช้พุทโธไล่มันไปอย่าไปคิดทั้งนั้นให้ใช้พุทโธอย่างเดียวให้จิตมันรวมให้จิตให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเป็นอุเบกขาปล่อยวางใช้พุทโธปล่อยวางแต่มันปล่อยได้ชั่วคราวพอจากสมาธิมาเดี๋ยวมันคิดมันอยากขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ความคิดมาหยุดมัน ให้ปัญญามาหยุดมันคิดว่าของที่เราอยากมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าอยากไปอยากว่าจะไม่ทุกข์มันก็จะหายทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากได้นีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาส่งข้อความเข้ามา อ, อเปิด มีฝลัง่งไม่มีต่างชาติไม่มีค่ะไม่มีค่ะคำถามจากคุณโตมอนข้อที่หนึ่งค่ะนั่งสมาธิแล้วจิตไม่เข้าสมาธิจะได้บุญไหมครับก็ได้แต่ได้น้อยกว่าเวลาเข้าเวลานั่งสมาธิมันก็ได้แล้วล่ะได้บุญที่เกิดจากการพยายามทําดำมันก็หยุดการที่เราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงแล้วนั่งสมาธิแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยได้ครึ่งหนึ่ง ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องนั่งไปพุโทโธไปจนกว่ามันจะสงบมันจะเข้าสมาธิได้มันก็จะได้เต็มร้อยข้อที่สองค่ะผมนั่งสมาธิตอนแรกๆไม่ปวดขาแต่พอนั่งไปประมาณสามสิบนาทีจะปวดขาทุกครั้งเลยครับทํายังไงถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้ครับนั่งขัดสมาธิเอาขาสลับกันได้ไหมครับคือเวลานั่งแล้วมันปวดเน่นเราไปสลับไม่ได้ไม่เปลี่ยนท่าไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนท่าก็เหมือนเราเริ่มใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าแล้วเราปล่อยให้มันปวดไปไม่ต้องไปสนใจกับมันแยกใจออกจากร่างกายว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงผู้ที่มาใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆเหมือนเจ้านายกับคนรับใช้คนรับใช้เจ็บเจ้านายไม่ได้เจ็บด้วยงั้นเจ้านายไม่ต้องไปกังวลกับความเจ็บของคนรับใช้ที่เราไปกังวลเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย จริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปเนี๋ยมันก็หายเองร่างกายมันไม่เดือดร้อนตัวร่างกายมันเจ็บแต่ไม่ไม่เดือดร้อนตัวเราที่ไม่เจ็บเรากลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายตอเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราต้องมาสอนตัวเราหมายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราเป็นคนรับใช้เรามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเพราะสักวันหนึ่งมันกับเราก็ต้องจากกันเฉะนั้นเราต้องฝึกปล่อยวางมันเสียตั้งแต่มันยังไม่จากกันเพราะตอนที่จะจากกันมันจะเจ็บร่างกายมันจะเจ็บมากถ้าเราปล่อยไม่ได้เราจะทุกข์มากถ้าเราปล่อยมันได้เราจะไม่ทุกข์เวลามันเจ็บเวลามันตายเฉะนั้นนั่งต่อไป วิธีนั่งต่อไปกับพุทโธต่อไปถ้าใช้พุทโธก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความความคารเจ็บปวดทางใจจะหายไปเราจะทําให้รู้รู้ว่าความทุกข์ทางร่างกายนิดนิดเดียวความทุกข์ส่วนใหญ่อยู่ที่ความทุกข์ทางใจที่เราอยากให้มันหายความความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไป พอเราหยุดความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปความทุกข์ทางใจก็จะหายไปหมดพอความทุกข์ทางใจหายไปความทุกข์ทางร่างกายก็จะเหลือนิดเดียวเท่าน้หรือบางทีหายไปด้วยเลยจะรู้ไม่รู้สึกเจ็บเลยนั้นให้พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บให้พุโทโธให้เร็วขึ้นก็นได้พุโทโธพุโทโธให้มันขาดใจไปกับพุโทโธเลยข้อที่สามค่ะนั่งสมาธิ ควรสวดมนต์ก่อนหรือตั้งจิตอธิษฐานอะไรก่อนไหมครับหรือว่านั่งเลยครับก็แล้วแต่เราได้ทั้งนั้นบางคนอยากจะตั้งจิตอธิษฐานก็ตั้งไปบางคนอยากจะสวดก็สวดไปบางคนอยากจะนั่งเลยก็นั่งเลยได้ทั้งนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติคำถามจากคุณพิมพิดาความอยากทำบุญเป็นความอยากหรือไม่คะอันนี้เป็นธรรมะไม่ได้เป็นกิเลส เป็นธรรมเป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นความอยากที่ไม่ต้องละเป็นความอยากที่ต้องส่งเสริมอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอันนี้อยากฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นความอยากที่เราต้องส่งเสริมเพราะเป็นธรรมะไม่เป็นกิเลสถ้าเราส่งเสริมธรรมะมันก็จะฆ่ากิเลสได้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นครับถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งการฝืนอารมณ์มีการ มีหลักการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเขาอย่าไปทาตามมันบ่อยมันมันจะมีอารมณ์ไรก็ช่างมันแล้วก็พูดโทพูดโท้ของเราไปต่างคนต่างอยู่กันไปคำถามจากคุณวินขอพระอาจารย์เมตตาชีแ้แนะเรื่องเนสันชิกด้วยค่ะเ <N> <N> นสันชิกเป็นข้อทุดรงข้วันข้อหนึ่งก็คือข้อไม่ไม่ใช้อิเลยาบทนอนจะใช้สามอิเลยาบทคือเดินยืนกันั่ง คือความหมายก็คือต้องการปฏิบัติทำให้มากเพราะถ้านอนแล้วมันจะเสียเวลามากมก็เลยไม่ยอมนอนใช้ถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งท่าท่าเดินหรือท่ายืนนั่นะมันก็จะหลับไม่นา น, านถ้าหลับในท่านั่งเดี๋ยวหลับสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้ทำความเพียรต่อจะได้ปฏิบัติต่อถ้าอยู่ในท่านอนบางทีก็ห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงบางคนนี่ คนที่ก็อยากจะรีบไปนิพพานนี่เขาเสียยาเวลาเขาเลยต้องถือเนสัจิกันเพื่อเพื่อเพื่อทำลายความขี้เกียจพูดง่ายๆการถือข้อนี้เพื่อไม่ให้เราขี้เกียจคาถามจากคุณนันทาถ้าเรายังต้องใช้ชีวิตในสังคมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่แต่งตัวแต่เมื่อเราต้องไปติดต่อกับคนอื่นๆเช่นไปโรงพยาบาลไปติดต่อธุรกิจ เราจะได้รับการต้อนรับที่แตกต่างที่ไม่น่าพอใจแน่นอนค่ะเราจะทำใจอย่างไรคะไม่ให้ทุกข์กับขัดแยจากคนในสังคมเราก็อย่าไ่หวังให้เขาต้อนรับรเลยแล้วก็ไปต้อนรับไม่ต้อนรับเราก็ไปคำถามจากคุณชนะตนโยมนอนเสืองดข้าวเย็นแต่ยังติดนอนเยอะควรทำอย่างไรดีคะก็กินให้น้อย ถ้ากินให้น้อยให้มันทิ้วมันก็จะนอนไม่เยอะมัน mm hmm. <t> <t> อคําถามจากคุณธรรมใจการทําบุญแบบไหนถึงได้บุญมากที่สุดการทําทานแบบไหนจะได้บุญมากที่สุดและการให้แบบไหนเป็นการให้ที่ควรให้มากที่สุดคะเอ่อได้มากที่สุดก็คือบุญหรือบุญที่เราทําได้อย่าไปทําบุญที่เราทําไม่ได้เพราะฉั <laughs> ้นเราทำบุญตรงไหนได้อันนั้นละ่ะเป็นบุญที่เราจะได้มากที่สุดสําหรับเรา แต่เราไปอยากไปทำบุญที่เราทำไม่ได้ทำไปก็ไม่ได้อยู่ดีบุญที่สูงสุดก็คือปัญญาแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้อยู่ดีบุญที่เราทำได้ตอนนี้คือใส่บาตก็ใส่ไปก่อนทำบุญที่เราทำได้อันนั้นมันจะบุญที่มากที่สุดสำหรับเราแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองจากทานก็ไปสู่ศีลจากศีลก็ไปสมาธิจากสมาธิก็เป็นปัญญาเนี่นี่คือบุญขั้นต่าง ขั้นต่ำสุดก็ทานขั้นลองมาสูงขึ้นไปก็ศีลหสูงขึ้นไปก็ศีล8ปดศีลสองี น, 8, น 7, แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกข์เห็นอริยสัจ ส, สีอันนี้ก็จะเป็นบุญที่สูงสุดแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเราจึงต้องทำบุญที่เราสามารถทำได้ก่อน อันนั้นแหะเรียกก็เป็นบุญสูงสุดของเราแล้วต่อไปเราก็พัฒนาขึ้นไปจากบางคนนี่ชอบบุญสูงสุดก็เลยไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวเพราะฟังเทศฟังธรรมแล้วจะได้ปัญญาทานก็เลยไม่ยอมทําเสียดายเงินเอาเงินไปเที่ยวแทนอย่างเงี้ยกระโดดโดนกิเลสหลอกให้ไปทําบุญที่ทําไม่ได้ส่วนบุญที่ทําได้กิเลสก็ไม่ให้ทําก็เลยไม่ได้บุญสักอย่าง ระวังนพวกที่อยากจะได้บุญเยอะๆเนี่ยชอบไปนั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทําบุญไม่ยอมรักษาศีลกันคําคำถามจากคุณนิลันดอนถ้าจะพูดว่าความคิดทั้งหลายเป็นกิเลสอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะความคิดมันคิดเป็นธรรมก็ได้คิดเป็นกิเลสก็ได้ข้อทสองแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาว่างๆจิตท่านมีความคิดเหมือนปุถุชนไหมครับ ก็ดูพระพุทธเจ้าเลยท่านก็ยังใช้ความคิดมาสอนพวกเราอยู่ไม่ให้เลยแต่เป็นความคิดที่ไปในทางธรรมะท่านั้นเองความคิดไปในทางโลกท่านไม่คิดแล้วคิดไปเที่ยวคิดไปมีแฟนมีลูกมีครอบครัวไปร่ำไปรวยนี้ท่านไม่คิดแล้วพอท่านคิดรู้ว่ามันเป็นทุกข์ท่านคิดแต่ในทางธรรมที่เป็นสุขคำถามจากคุณแอนการนาเงินไปทาบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้บุญเท่ากับการนําเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลไหมคะได้ได้เท่ากันบุญที่เราทำนี้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่คนรับส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยต่างกันถ้าเราไปทําบุญกับผ้าอาหารผ้าหลานท่า น, า น, านก็จะสอนธรรมะให้กับเราถ้าเราไปทําบุญกับโรงพยาบาลหมอเขก็จะสอนวิธีรักษาโรคให้กับเรา เน้นผลประโยชน์ที่ได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี้ไม่เหมือนกันถ้าไปทำบุญกับโรงพยาบาลก็จะรู้จักวิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าไปทำบุญกับพระอารามก็จะได้รู้วิธีดับความทุกข์ใจต่างๆรู้วิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าเราต้องการแบบไหนแต่บุญคือความสุขใจที่เราเสียสละเงินทองนี้เท่ากันแจะมากจะน้อยอยู่ที่ปริมาณเงิน ถ้าเสียมากก็ได้ไดบุญมากถ้าเสียน้อยก็ได้บุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครรับเข้าใจไหมอยู่ที่มากหรือน้อยทำร้อยหนึ่งกับทำพันหนึ่งเนี่ยต่างกันความรู้สึกที่เราได้รับจากการทำร้อยหนึ่งกับทำพันหนึงมันต่างกันร้อยหนึ่งนีง้รู้สึกมันสุขแต่ไม่สุขเท่ากับทำพันหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งยิ่งสุขใหญ่เลยแสนหนึงได้ยิ่งสุขใหญ่เลยเอลองทาดูสิ นี่บุญคือความสุขใจอันนี้อยู่ที่ปริมาณเงินที่เราเสียไปไม่ว่าใครเป็นคนรับขอทานก็ได้ให้ขอทานไปแสนหนึ่งก็ได้ República. เราก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเหมือนกับเราเอาเงินแสาไปทําบุญที่โรงพยาบาล <S <S ก็ได้ความสุขใจเท่ากันอไปทําบุญกับพระอรหันต์ก็ได้ความสุขใจเท่ากันเพราะมันเป็นปริมาณเงินที่เราเสียเสละไปเท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยต่างกัน ทํามือกับโรงพยาบาลก็จะได้เรียนรู้วิธีรักษาพยาบาลจากหมอคุยกับหมอหมอก็บอกตอนนี้มีโรคระบาดนะระวังเชื้อโรคอะไรต่างๆถ้าไปทําบุญกับผ้าอะไรนั่นก็บอกว่าระวังกิเลสตัณหามันจะม า, าทําให้เราทุกข์นะก็จะได้ความรู้ต่างกันไปจากคนที่เราไปทําบุญด้วยถ้าไปทําบุญกับขอทานก็มีแต่ยกมือว่าขอบใจขอบใจสาธุสาธุ นันอยู่ที่ว่าเราต้องการประโยชน์อะไรคือการทําบุญนั้นจะได้ประโยชน์2ส่วนส่วนที่เกิดจากการเสียสละกับส่วนจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเหมือนกันเราไปเติมน้ํามันรถเนี่ยบางปั๊มก็มีแจกของนะบางปั๊มก็ไม่มีไม่มีแจกมีแต่น้ํามันอย่างเดียวถ้าเราต้องการของแจกเราก็ต้องไปเลือกปั๊มที่เขาแจกของเราจะได้ทั้งน้ํามันจะได้ทั้งของแจกแต่ถ้าเราไม่สนใจของแจกเราต้องการแต่เพียงแต่น้ํามันเราไปทําปั๊มเมื่อไหนปั๊มไหนก็ได้ ก็ได้น้ำมันเหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการรับอะไรจากคนที่เราไปทำบุญด้วยเราไปทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันจะได้บุญเท่ากันปริมาณเงินเท่ากันก็จะได้บุญเท่ากัน <c oughs> ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้เท่ากับไปทำบุญที่โรงพยาบาลหรือให้ขอทานหรือให้พระมันก็ได้บุญเท่ากันคาถามจากคุณปราศิษฐ์กลับเรียนถามพระอาจารย์นักสมาธิเสร หรือสวดมนต์เสร็จแล้วอุทิศบุญหรือแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เราจะให้บุคคลนั้นจะได้รับใหม่ครับบุญที่อุทิศไปเนี่ยอยู่ที่คนที่เขารอรับว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าเขาอยู่ในฐานะที่เขารอรับได้หรือเปล่าถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่ต้องมารับบุญที่เราอุทิศไปพวกที่ทําบุญเยอะๆเนี่ยตายไปก็ไปเป็นเทวดากันไปเที่ยวแล้วไม่ต้องมารอรับเงินที่เราอุทิศไป บุญที่เราอุทิศนี้เป็นเหมือนบุญที่ให้ขอทานเอพวกที่เล่เร่อนไม่มีบุญเนี่ยต้องมารอบุญอุทิศของเราดังนั้นะเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับหรือไม่รอรับถ้าเขารอรับเขาก็เขาก็ได้เขาไม่รอรับเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวห้างอกสักสองสามข้อแล้วก็จะหมดหมดหมดพอดีเลยเอยอันนี้คําถามน้อยเดี๋ยวจะมีคําถามทางภาษาอังกฤษต่อ ถ้ายาติโยมอยากจะฟังต่อก็ได้นะถ้าจะไปก็ได้เพราะว่าตอนตอนนี้จะมีคําถามที่ชาวต่างประเทศเขาส่งคําถามเข้ามาอ่านทางอีเมลทาง youtube ทางอะไรเนี่ยแล้วเราก็รวบรวมมาเพื่อจะตอบปัญหากันถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องก็กลับไปได้แตถ้าอยากจะนั่งฟังต่อก็ฟังได้ไม่ห้านว ตามใจน ะ, ะตัดสินใจซนะ